นับว่าเป็นวันมงคลมาหามงคลอย่างยิ่งที่หลวงพ่อได้มาพบกับศรัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานที่ได้มาพูดนสถานที่แห่งนี้ถ้าหลวงพ่อจําไม่ผิดนี้เป็นครั้งที่สมครั้งก่อนหลวงพ่อได้มาพูดที่นี่ไดจะมาแสดงธรรมที่นี่ได้มากล่าวสัมโมทนิยกถาที่นี่ครั้งแรกทางคณะกรรมการได ตั้งหัวข้อว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่พอมาครั้งที่สองปีที่สองคณะกรรมการตั้งหัวข้อขึ้นมาว่ากำไรของชีวิตแต่มาวันนี้คณะกรรมการได้ตั้งหัวข้อให้หลวงพ่อพูดว่าพรปีใหม่เพราะนั้นพวกคณะสัตายาติโยมทั้งหลายให้ฟังรู้ว่าพรปีใหม่ ที่หลวงพ่อจะได้ให้หรือว่าได้กล่าวให้แก่พี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานฟังนั้นหลวงพ่อจะได้กล่าวอย่างไรให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจฟังอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนี้มีหลายระดับมีผู้ใหญ่มีผู้น้อย มีนักศึกษาสรุปแล้วหลายพันคนอาจจะถึงหมื่นก็ไม่รู้นะหลวงพ่อเขาไม่ได้ถามในรายละเอียดแต่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลศรีนครินแห่งนี้ก็ทั่วภาคตะวันออกเสียงเหนือเหมือนกันไม่ว่าฝ่ายครวาญไม่ว่าฝ่ายพระสงฆ์ส่วนฝ่ายพระสงฆ์ก็หลวงพ่อก็ได้มาร่วมกันสร้างตึกสงอาพาดชั้นสิ ให้แกโรงพยาบาลก็เดี๋ยวนี้พระสงฆ์ที่หลวงพ่อขึ้นไปดูเมื่อกี้เนี่ยก็ทราบว่าทั้งย0่สกว่างองค์ก็เป็นที่หน้าภาคภูมิใจที่พระสงฆ์ได้มาใช้บริการแต่ไม่ได้ภาคภูมิใจว่าให้พระสงฆ์ป่วยมากๆอย่างนั้นไม่ใช่แต่ว่าเมื่อพระสงฆ์เก็บไข้ได้ป่วยแล้วได้มาใช้บริการในโรงพยาบาลตึกสงฆ์อพาธแห่งนี้ที่หลวงพ่อไดมาร่วม กับคณะกรรมการคณะอาจารย์หมอทั้งหลายคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้สร้างขึ้นมาหลวงพ่อมาเห็นแล้วก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจเพราะว่าท่านที่ได้มาใช้บริการแล้วได้รับความสะดวกสบายแล้วก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บปากต่อปากพูดกันต่อไปผู้ดได้ยินได้ฟังถ้าว่าเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็เข้ามารักษาในตึกสงฆ์อาพาธแห่งนี้ ก็นหาว่าเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเราเป็นเนื้อนาบุญอย่างมากที่พวกเราได้ดูแลพระสงค์ในเมื่อท่านหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วท่านก็จะได้ไปประกาศเผยแพ่แสดงธรรมหรือปฏิบัติธรรมของท่านจนได้สำเร็จมรรคผลนั้นจิ่งเป็นกุศลมหากุศลอย่างยิ่งอย่างนั้นท่านก็จะได้นาธรรมคาสั่งสอนไปประกาศเผยแพ่ให้แก่พวงประชา ได้รู้จักได้รู้แจ้งเห็นจริงได้รู้ทรรมได้เป็นเป็นคนดีในชุมชนและสังคมพวกเราก็ได้บุญหลายๆทอดทีเดียวในการรักษาพระสงฆ์เก็บไข้ได้ป่วยเพราะนั้นหลวงพ่อจึงในพาคณะสัตย า, าติโยมถึงจะเหน็ตเหนื่อยยังไงหลวงพ่อก็ได้ทุ่มเทอย่างอย่างทุกวันนี้ก็ยังมียังไม่จบสิ้นเพราะเหตุไดเพราะว่าจะต้องมีกองทุน หรือว่ามูลดิท่ที่ขึ้นมาเสริมอีก เ, ออเพื่อจะได้ดูแลพระสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์เก็บไข้ได้ป่วยเข้ามาดูเข้ามาป่วยในโรงพยาบาลหรือว่าตึกหลังนี้ตึกสงอาพาแถ่งนี้บางทีก็ใช้ใจ่ายเกินกว่าทางบัตรทองหรือว่าที่จะใช้ใจ่ายได้จะต้องอาศัยกองทุนเพิ่ ม, เ ต, มเติมเข้าไปอีก อันนี้แหะกองทุนที่เพิ่มเติมที่จะต้องได้ใช้ก็คือมูลนิธิจุดนี้แหละจะได้ใช้เพิ่มเติมเข้าไปที่สิ่งที่ขาดตกบกพร่องให้พระสงฆ์ท่านได้รับความผาสุขขึ้นมาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองไม่ได้ดูได้เกี่ยวกับการดูแลเก็บไข้ในป่วยของพระสงฆ์ทางโรงพยาบาลของพี่น้องประชาชนด้วยและก็หลวงพ่อเองอย่างที่หลวงพ่อได้ช่วยโรงเรียนหรือโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์ ก็อย่างที่อาจารย์หมอวิทูลพูดหลวงพ่อไม่ปฏิเสธเมื่อเร็วๆมณีกอได้ให้เครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลศูนขอแก่นและศูนย์อุดรเครื่องอุลิมปัต ร, ราคาทังเครื่องละสาสาล้านกว่าบาทให้อุลิมปัตของโรงพยาบาลศูนย์ขลแก่นและศูนย์อุดรเมื่อเร็วๆ เ, เนี่ยอันนี้ก็คือการสงเคราะห์ชุมชนและสังคมหลวงพ่อเองไม่ได้มองข้ามในที่จะ สงเคราะอนุเคราะห์แต่ถึงยังไงทางด้านจิตใจหลวงพ่อก็ไม่ได้มองข้ามอีกเหมือนกันอาหารกายอาหารใจคนละแนวทางกันอันนั้นคือการดูแลรักษาร่างกายก็ต้องมีการให้ความรู้ในการเป็นอยู่ในชุมชนก็ต้องมีแต่ก็พร้อมกันเราจะให้แต่ความรู้ทางโลกหรือว่าให้แต่อาหารดูแลร่างกายอย่างเดียวดูแลสุขภาพร่างกายอย่างเดียวไม่เพียงพอ เราควรจะให้อาหารทางจิตใจด้วยอาหารทางจิตใจนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะฉนั้นวันปีใหม่อยู่ที่อําเภอนายูงที่วัดหลวงพ่อคณะสัาญญาติโจงเข้าไปมา ก, กวันนั้นเพราะท่านนายอำเภอเป็นประธานหลวงพ่อให้คติหัวข้อหรือว่าให้พรนะ ให้พรเป็นคติธรรมหัวข้อในปีพุทธศักราช2552ว่าหลวงพ่อให้หัวข้อกติธรรมเป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายนะคือให้มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรความอดทนคือ5ข้อสติปัญญาศรัทธาความเพียร ความอดทนต่นี้ถ้าหลวงพ่อจะได้เฉลยไปว่าสตินั้นคืออะไรสติคือความระลึกได้สัมปัญญะคือความรู้ตัวถ้าคนเราท่านทั้งหลายถ้าทำการทำหน้าที่การงานอะไรข้อตามถ้าทำไม่ถ้าทำด้วย ก, การขาดสติสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวงานชิ้นนั้นจะออกมาจะเรียบร้อยราบเื้นเป็นไปได้ยะ่ะคงเป็นไปไม่ได้ เพราะเหตุไรเพราะคนขาดสติถ้าคนขาดสติเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายเห็น เ, เดินอยู่ตามข้างถนนตะภายของพลุงพลังไม่รู้ว่ตะภายของอะไรไม่รู้มีอะไรเป็นจุดหมายปลายทางอันนั้นแปลว่าคนขาดสติคนขาดสติแล้วจะทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเพราะนั้นสติต้องมาก่อนสติ การเรียนการสอนการศึกษาการทำหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ถ้าว่าคนขาดสตินิดหน่อยก็ทำให้เสียหายได้นิดหน่อยถ้าถ้าว่าคนมีสติสมบูรณ์แล้วคนนั้นจะเป็นผู้สมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดคืออะไรบุคคลเช่นไรคือว่าบุคคลที่สมบูรณ์ที่สุดในหลักของพระพุทธศาสนาบอกพระอรหันต์พระอรหันต์มีสติสมบูรณ์ที่สุด ไม่เพล่พระอาหารหันต์เออท่านเป็นผู้มีสติสมบูรณ์มหาสติมหาปัญญาครบทวนบริบูรณ์อยู่กับพระกับพระอาหารหันต์อันนั้นคือสติปัญญาข้อที่สองคือปัญญาปัญญาคือการไข ค, ควรทบทวนเหตุและผลเราคิดอย่างนี้ถูกไหมเราทําอย่างนี้ถูกไหมเราพูดอย่างนี้ถูกไหม อันนี้คือไข่ขวนด้วยปัญญาในเมื่อมีสติอยู่กับตัวเองแล้วและการกระทาการคิดการกระทาการพูดก็เป็นไปในทางที่ดีและกับสิ่งที่ดีที่ที่ชั่วเราก็รู้ได้ว่าเราเอาทาคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบหรือเอาทางกฎหมายบ้านเมืองมาเปรียบเทียบหรือเอาทางศีลธรรมจริยธรรมการอยู่ร่วมกันใจเขาใจเรามาเปรียบเทียบ เราค้นคิดด้วยสติด้วยปัญญาของเราเราก็จะรู้ได้ว่าอันนั้นควรทําอันนั้นควรพูดเพราะเราคิดดีแล้วอันนี้เรียกว่าปัญญาศรัทธาให้เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อข้อที่สามเชื่อว่าทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าเราทําชั่วเราจะได้ดีนั้นยากเพราะเหตุไรเพราะเราเทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้น ให้เชื่อในการกระทำของตนเองในเชื่อว่าถ้าเราทำชั่วแล้ว เ, เราจะมันจะได้ดีได้ที่ไหนเราเมื่อเราทำดีแล้วจะไปชั่วได้อย่างไรเพราะนั้นศรัทธาความเชื่อตัวนี้ในหลักของพุทธศาสนาถ้าจะว่าไปนะัเป็นดาบสองคมเหมือนกันถ้าเชื่อไปในทางที่ผิดก็ผิดไปได้ถ้าเชื่อไปในทางที่ถูกก็ถูกไปได้าะเชื่อคานี้ก็ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิอีกเหมือนกัน คือความเห็นถูกต้องอันนี้คือศรัทธาคือความเชื่อและก็ความเพียรความเพียรความพยายามอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพียรละสิ่งที่มันไม่ดีออกจากจิตใจเพียรพยายามสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจความเพียรพยายามนี่มีมากมายหลายระดับที่พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นนักศึกษายิ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องมีความเพียรต้องมีความพยายามมีความบักบันความภาคเพียรคือความเกียดคร้านมันอยู่ตรงข้ามกันความเกียจคร้านความไม่ใฉยใจเนี่ยมันอยู่อีกมุมหนึ่งแต่ความภาคเพียรความพยายามนี่มันอยู่อีกมุมหนึ่งเพราะฉะนั้นเราส่งเสริมในการสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลสั่งสมไปในทางที่ถูกต้องนี่แหละอันนี้คือความเพียรความเพียรความพยายาม ให้สังสงความดีไปเรื่อยๆ <Okay. S 1> ข้อที่ห้าขันติคือความอดทนคนเราอยู่ด้วยกันจะต้องมีเรื่องราวกระทบกระทั่งกันผู้ใหญ่ผู้น้อยหน้าที่การงานตลอดถึงอากาศเย็นร้อนหนาว <Okay. S 1> ความอดทนต้องจะต้องมีในทุกระดับในครอบครัวในวัดวาศาสนา ในการอยู่ร่วมกันชุมชนและสังคมประเทศชาติต้องมีขันติคือความอดทนเป็นพื้นฐานถ้าขาดขันติเมื่อไหร่ขันแตกเมื่อไหร่เมื่อนั้นเดือดร้อนวุ่นวายแน่นอนเพราะนั้นพวกพวกเราท่านทั้งหลายให้มีขันติคือความอดทนอดกลั้ น, นการอยู่ด้วยกันถ้าว่าพวกเรามีขันติคือความอดทนแล้วการจะทาสิ่งใดออกไปก็มีความสวยงามเพราะมีความอดกลั้น แต่หลักของพุทธศาสนาพราะพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้แล้วเมื่อ 2,000 กว่าปีท่านว่าความอดทนเนี่ยอดทนต่อผู้ที่ใหญ่กว่ามีอํานาจเหนือกว่าเราหลับตาอดทนอดกั้นอันนั้นก็ยังพอไหวเพราะว่าเราสู้เขาไม่ได้เราเขามีอํานาจเหนือกว่าเขาจะทํำยังไงให้แก่เราเพราะก็อดทนเอ่ยังทนไหว อันนั้นก็ยังเป็นความอดทนในร ะ, นระดับหนึ่งแต่อดทนขั้นที่สองเนี่ยคนเสมอกันแต่มาดูถูกเหยียด์ย้มรังแกเรามาดูถูกเราเราอดทนอันนี้ก็ยังพอไหวเพราะว่าถื่อขืนเราพี่พราบไปเราทําออกไปบางทีเราอาจจะเสียเปรียบเขาก็ได้เพราะฉนั้นเราก็ต้องอดทนอดกลั้นไว้อันนี้ก็ว่าเป็นการอดทนระดับสองลงมาแต่อันดับสามนี่ที่คนที่ด้อยกว่าเรา ต่ำกว่าเรามาดูถูกเยียดยาำเรามาว่าเก่าให้แกเราเราไม่ตอต่อกรอเขาเราไม่ว่ากล่าเขาเราไม่ทําร้ายขยี้เขาอันนี้ท่านพระพุทธเจา้าอันนี้คือยอดแห่งความอดทนโดยมากถ้าพูดต่มต้อยกว่าน้อยกว่าที่เขามาพูดดูถูกเยยดยามเราโดยมากเราก็อดทนไม่ไหวเหมือนกันเพราะเราเหนือกว่าเขา อันนี้หลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านะว่าขันติคือความอดทนอดคนทั้งใหญ่ทั้งกลางทั้งเล็กด้วยอดทนด้วยหลักเหตุผล เ, เว้นเสียแต่ว่าเรื่องนั้นมันผิดกฎหมายบ้านเมืองอันนั้นเราก็ต้องว่าไปตามกฎกติกาของชุมชนและสังคมกฎหมายนั้นกฎหมายบ้านเมืองในยุคนั้นแต่แต่ถ้าถ้าธรรมดาแล้วถึงไม่ท่าไม่ถึงขนาดนั้น เ, เราก็ต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐาน ถ้าคนที่มีความอดทนไปอยู่ในะชุมชนและสังคมใดคนนั้นเป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือเป็นที่เลื่อมใสต่อชุมชนและสังคมในกลุ่มนั้นๆเป็นผู้จิตใจมั่นคง น, นะเพราะฉนั้นกติธรรมที่หลวงพ่อให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายเป็นแนวความคิดในวันนี้ห้าข้อก็คือสติอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวบรรยายให้ฟังและกัปัญญาใค่ควรทบทวนว่าในการที่ การกระทำของเรากายวาใจาใจของเรานั้นอันไหนผิดอันไหนถูกถ้านเรามีสติแล้วก็มีปัญญาทบทวนจะเห็นได้แล้วก็พร้อมกันก็คือศรัท ธ, ธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อแล้วก็ความเพียรพยายามบากบั่นในทในหน้าที่การงานของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าพวกเราไม่มีความพยายามไม่มีความเพียรแล้วเราจะไม่ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ถ้าว่าพวกเรามีความเพียรมีความพยายาม สิ่งนั้นถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆก็สามารถที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้อั น, นันคือความเพียรและขันติคือความอดทนอดกลั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้ฟังได้ศึกษาได้ดองต้องนํามาประพฤติปฏิบัติกับกายใจของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าพวกเราท่านทั้งหลายมีธรรมผัมีธรรมหประการอยู่ในตัวของเราแล้วหลวงพ่อมั่นใจเหลือเกินว่าพวกเราจะ มีแต่ความสงบพร่อมเย็นผ้าสุขได้เพราะนั้นที่หลวงพ่อให้พรที่คณะศรัทธาที่คณะกรรมการตั้งหัวข้อว่าขอพรขอพรขอพรปีใหม่นี่แหละหลวงพ่อให้พรปีใหม่แล้วนะห้าข้อเนี่ยแหละคือพรปีใหม่ทําดีดีกว่ารับพรทําดีดีกว่ารับพร ถ้าว่าพวกเราทำดีแล้วเมื่อทำดีแล้วแล้วก็พระสงฆ์ให้พอรออบพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ให้พอรอีกยิ่งเป็นมงคลมหามงคลแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่เที่ยวไปรับพรวัดนั้นเที่ยวไปวัดรับพรมันนีต่ตัวเองไม่ได้ทำคุณงามความดีเลยนะมีแต่รับพรเอยเผยรับพรยังไม่ตบถึง9ก้าวัดอ พ, อพอรับพรหมดน้ามันในกลางคันละปิ๊ ป้นไปเจี้เขาเพื่อเอาน้ำมันมาเติมค่ารถเขาจับเขา้าโคก่อนยังไม่รับพรยังไม่ถึง9้าวัดอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะตัวเองทำความชั่วถ้าว่าตัวเองทำความดีแล้วนั่นแหะพรจะให้ผลเองอย่างในครั้งพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาในพระไตรปิฎกอย่างทุกตะอย่างนี้ก่อนที่ท่านจะรับพรท่านก็ทำบุญซะก่อนได้ใส่บาตรพระประเจกระพุทธเจ้า ทุกขตาที่ท่านเป็นทุกข์พอท่านได้อาหารมาท่านก็ทำบุญตักบาตรพระปฏิเจตพระพุทเจ้าพระปฏิเจตพระพุทเจ้าท่านก็มองดูทุกขตาท่านก็ขอพร<ม>เออเกิดมาพบนี้ชาตินี้ข่าพระพุทธเจ้าเนี่ยําบากทุกยากลําบากเหลือเกินด้วยอานิสงส์ทานในวันนี้ที่ได้ทําบุญในวันนี้ขอให้เป็นพระวะรปัจจัย ขอให้ส่งบุญส่งกุศลถึงข้าไให้ข้าไปเจ้าถึงข้าไปเจ้าเกิดในภพใดชาติใดข้าว่าไม่มีอย่าให้ข้าไปเจ้าได้ยินเอเกิดมาภพใดชาติใดข้าไปเจ้าต้องการอะไรขอให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับข้าไปเจ้าในทางที่ถูกต้องพระประเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็มองดูอดีตอนาคตพร้อมเออเขาคงจะสาเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนา ได้เพราะอเ น, นส่งทานของเขาในวันนี้ท่านยังได้เอวังโหตุเอวังโหตุขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จสมความมุ่งมากปรารถนาเถินนะีอันนี้คือเขาทําความดีซะก่อนเขาจึงรับพรแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่เที่ยวรับพรไม่ได้ทําคุณงามความดีเลยเอพอรไม่จะได้มาถึงเรานั้นน้อยมากแต่ถ้าว่าพวกเราทําดีแล้วทั้งขอพอรด้วยเพราะประเจ้าพรธเจ้าให้พรด้วย อันนั้นเป็นว่าสองอย่างเข้ามามารวมกันบวกกันแล้วว่าโคนกันบุญกุศลมากมายมหาศาลไม่ใช่แต่เพียงเท่านั้นอย่างพระศีวดีอย่างเนี้ยท่านปรารถนาอยากจะให้เป็นผู้ล่ำรวยในศาสนาขอ ง, พ, องพระพุทธเจ้าในอนาคตอย่างนี้ยท่านก็บริจากน้ำผึ้งได้ถวายน้าผึ้งกับพระพุทธเจ้าประทุมตระ จากนั้นพระพุทธเจ้าปทุมุตตระท่านก็ได้ยกย่องว่านี่สาวกของเราองค์เนี้ยท่านเป็นผู้มีลาภมากในาศาสนาของเราตถาคตพระศรีวลีท่านก็มองเห็นนะโอ้ของข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกันท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเอาออ น, นิสงทานน้ำพึ่งของข้าพเจ้าในถวายพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ในวันนี้ ที่เป็นมหาทานในวันนี้บุญกุศลที่เข้าไปเจ้าทําแล้วนี้ขอให้เข้าไปเจ้าได้สําเร็จเป็นพระสงฆ์สาวกองคหนึ่งของพระพุทธเจ้าในอนาคตเป็นผู้มีลาบมากกว่าภิกษุทั้งหลายด้วยเทินพระเจ้าข่าอันนี้พระพุทธเจ้าปทุมพุทธละท่านก็มองเห็นอีกเหมือนกันท่านก็ให้พรเอวังโหตุเอวังโหตุเหมือนกันอันนี้ก็คือท่านทําบุญซะก่อนท่านจึงรับพร เพราะนั้นพรที่จะเกิดขึ้นมาได้จเจริญรุ่งเรืองไปได้พวกเราต้องทำก่อนแล้วจึงค่อยรับพรพรนั้นจึงจะเจริญงอกเงยขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าเราไปที่ไหนเพีแต่ขอพอรแล้วพรจตุพรทั้งสี่อายุวันณนะสุขะภาระนั้นจะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเรานั้นก็ยากเหมือนกันเพราะเหตุดเพราะเราไม่ได้ทาคุณงามความดีไว้ก่อน เพราะนั้นการที่จะขอพรพวกเราต้องตั้งรองภาชนะรับคือกายวาจาใจของเราให้เป็นผู้มีศีลให้เป็นผู้มีทานมีศีลมีภาวนาจากนั้นแล้วเราก็ขอพรเมื่อพระสงฆ์อนุมโมทนาให้พรพวกเราบุญกุศลก็จะหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของพวกเราจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบร่มเย็นผาสุขขึ้นทางด้านจิตใจ นี่แหละพรจะเต็มเปี่ยมในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายอย่างที่หลวงพ่อได้ยกบาลีขึ้นเบื้องต้นว่าสุขโขผลยศปุญญสุขโยความสั่งสมบุญนำสุขมาให้เพราะนั้นการสั่งสมบุญบุญก็คืออะไรอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวมีทานมีศีลมีภาวนามีขันติมีปัญญามีศรัทธามีความเพียรมีความอดทน ล้วนแล้วจะเป็นเป็นบุญเป็นการสั่งสมบุญทางนั้นที่หลวงพ่อได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายให้เป็นผู้มุ่งมั่นให้เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจให้เชื่อในการกระทําของพวกเราท่านทั้งหลายว่าในหลักของพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าไปศึกษาตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ เป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานในยนุคนี้สมัยนี้หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่พวกเราให้ความเคารพนับถือล้วนแล้วถ้าท่านอยู่ในป่าดงพงไผ่ท่านประพฤติปฏิบัติอยู่กับป่าดงพงไผ่ท่านปฏิบัติประพฤติปฏิบัติเพื่ออะไรท่านอยู่ทําไมท่านศึกษาเรื่องอะไรอย่างหลวงพ่ออย่างนี้เป็นต้นอย่างที่พอออาจารย์หมอวิทูลลอง หลวงพ่ออาจารย์มวิทูลพูดเมื่อกี้ว่าหลวงพ่อบวชมาตั้งแต่อายุ 11-12 อปี เ, อเป็นสมัมมเณรหลวงพ่อฝังตัวไว้ในพระพุทธศาสนาจนถึงบัดนี้อายุ12ปีเดียวที่อายุ64ปีนับดูว่าหลวงพ่อฝากชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาในนานเท่าไหร่หลวงพ่อเชื่ออะไรทำไมจึงวางตัวฝังตัวไวในพระพุทธศาสนาถึงขนาดนี้หลวงพ่อได้ศึกษาได้ปฏิบัต ได้นั่งสมาธิภาวนาได้ปฏิบัติดูแล้วว่าอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้กล่าวแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ปฏิพิปฏิบัติแล้วก็ท่านแนะนําสั่งสอนหลวงพ่อเองก็ได้ปฏิพฤติปฏิบัติตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนหลวงพ่อเชื่อมั่นและเกินว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะเหตุใด เมื่อเรานั่งสมาธิจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วร่างกายเป็นส่วนหนึ่งเป็นอันหนึ่งจิตใจนั้นเป็นอันหนึ่งอาศัยกันอยู่ไม่ใช่อันเดียวกันเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้นแน่นอนคนขับรถกับรถเป็นคนละอย่างกันรถก็คือร่างกายแต่ส่วนจิตใจนั้นคือคนขับรถรถร่างกายของพวกเราเราได้ได้มาจากไหน ได้มาจากท้องแม่ก่อนที่จะได้มาในหลักของพระพุทธในหลักของพระพุทธศาสนาคือดวงวิญญาณคือตัวนึกคิดตัวรู้ร้เนี่ยเข้าไปปฏิสนธิคือเข้าไปยึดเออคือเข้าไปจองรถในอู่ในเมื่อเข้าไปจองรถในอู่พอเข้าไปทีแรกก็ตัวยังยังน้อยอยู่เออคื อ, อยังเป็นน้ำเยังเป็นก้อนเนื้ อ, อ, อต่อมาก็ใหญ่ขึ้นมา แต่เป็นปัญจสาขาพวกนักพวกอาจารย์หมออาจารย์แพทย์หรือพวกนักศึกษาแพทย์ทั้งหลายคงจะเรียนรู้ว่าปฏิสนธิเบื้องต้นนั้นคืออะไรแต่ใ น, นหลักของพจนศสศาสนาท่านก็บอกว่ามันเป็นน้ำจากนั้นก็เป็นก้อ 2, น 2, าจากนั้นก็แตกเป็นปัญจสาขาคือขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งจากนั้นดวงวิญญาณก็เข้าไปยึดเข้าไปจองจองรถขันนั้นจากนั้นก็ จากนั้นก็เฝ้ารถคันนั้นจนออกจนใหญ่โตขึ้นมา89เดือน10เดือนก็ออกมาขับรถออกมาจากท้องแม่พอออกมาแล้วท่นี่ตัอเองก็ยังไม่ฝึกยังไม่เก่งกล้าสามารถที่จะดูแลรถของตนเองได้ก็ต้องให้พี่เลี้ยงดูแลประครบประ ง, งมวิธีการขับวิธีการขี่ให้แก่โซเฟอร์นั้นก่อนเพราะนั้นพวกเราจึงเห็นว่า เด็กที่มันที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่ๆยังไม่รู้จักเตียงสาภาวะพ่อแม่จะต้องดูแลอันนั้นแหละคือเรื่อบุคกาภรีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนคือพ่อแม่ที่ได้ดูแลเราเพราะฉนั้นพวกเราจควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทที่ตาอย่างไรกับผู้มีอุปการะคุณเหล่านั้นท่านทั้งสองนั้นนี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายในเมื่อพวก พ่อแม่ผู้มีอุปกราระคุณท่านได้เลี้ยงดูเรามาจนเราออกมาถึงในระดับนี้เป็นผู้ใหญ่ในระดับนี้จากนั้น เ, เราก็เป็นผู้ใหญ่ได้รับการศึกษาตามลาดับขั้นตอนขึ้นมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายในได้ทำหน้าที่การงานอย่งอางอย่างเห็นอยู่ในขณะนี้เมื่อเราใหญ่ขึ้นมาแล้วเรา ได้รถออกมาแล้วเราจะประดับตกแต่งรถคันนั้นให้ไปในลักษณะไหนลักษณะสวยงามหรือจะให้มันวิ่งเร็วหรือจะให้มันเป็นรถอย่างไรอันนี้ก็เราก็เข้าไปหาช่างให้เขาตกแต่งประดับตกแต่งให้รถคันนั้นได้อย่างที่ตัวเองต้องการถ้าว่าพวกเราเออไม่ต้องการประดับตกแต่งออก็ปล่อยปะละเลยไป รถคันนั้นก็ชุดโสมไปตามเรื่องเหมือนกับคนเกิดขึ้นมาแล้วไปกินเหล้าเมายาเที่ยวสัมมาเลเทเมาปล่อยปะละเลยไม่สนใจอันนี้ไปลว่าไม่สนใจในรถของตนเองแต่บางคนได้รถมาแล้วนี่ประครบประงมพยายามดูแลให้การศึกษาให้ความรู้จากนั้นก็ดูแลในการเป็นอยู่สุขภาพร่างกายบำรุงส่งเสริมทางด้านจิตใจรถคันนั้นก็เป็นรถที่ดี เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมเพราอนั้นนี่แหละการเกิดมาปฏิสนธิในหลักของพุทธศาสนาจากนั้นพอออกจากชาตินี้แล้วสมมติว่าถึงเราจะเลี้ยงธาตุขันนี่ดีขนาดไหนเอถึงจะมดหมอดีขนาดไหนบริโภคอาหารทุกกลุ่มโภชนาอาหารกลุ่มครบกลุ่มห้า อ, อาหารครบกลุ่มห้า ไม่ให้ขาดตบกบกพ้องดีขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังแก่แล้วก็ยังตายไม่มีใครที่จะหลีกนี้หลีกลีก้หนีพ้นไปได้อันนี้รหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ออกบวชหรือว่าท่านได้คิดไข้ควรไตรตรองเหตุและผลว่าถึงจะเลี้ยงร่างกายนี่ดีขนาดไหน ร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเป็นอื่นคือว่าเลี้ยงเท่าไรเลี้ยงเท่าไรไม่เชื่องเลี้ยงเท่าไหรไม่อยู่ในในอนัตหรือไม่อยู่ในที่ตัวตัวเองต้องการเลี้ยงเท่าไหรก็ยิ่งแก่ยิ่งเจ็บแล้วก็ตายในที่สุดเพราะนั้นตายแล้วไปยังไงตายแล้วต้องเกิดอีกเนี่ยไปป ฏ, ฏิสนธิอย่างว่านไปเลือกรถคันใหม่อีกอพอตายแล้วก็ไปเลือกรถคันใหม่อีกแต่ถ้าว่าคนที่ไปเลือกรถนั้น บางทีเกิดมาพบนใ้ชาตินี้ไม่เชื่อไม่ได้สังสมคุณงามความดีไม่ได้ประกอบคุณงามความดีพอขึ้นมาแล้วก็ลืมตนลืมตัวกินเหล้าเมายาปล่อยปะละเลยพอออกพอตายจากชาตินี้ไปไม่มีเงินไม่มีบุญก็เมื่อเราไม่มีบุญแล้วเราจะไปเลือกรถคันใหม่ขึ้นมานั้น เราอาจจะเลือกรถไม่ได้ดีท่าไหอาจจะไปเลือกได้ท้องช้างท้องมา้าหมูหมากาไก่ไปเท่นี้เอออาจจะไม่มีวาสนาที่จะไปซื้ อ, อ, อรถที่ราคาแพงๆขึ้นมาได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ในหลักของพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ได้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วให้ตั้งตนไว้ชอบออให้ตั้งตนไว้ชอบออปฏิโลปะเทสวาโซจ ปุเพจะกคตะปุญญาตาอัตะสัมมาปณิธิในมงคล38ปฏิบูปประเทสวะโซจะเกิดเราเกิดมาในประเทศไทยในภพพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นบุญกุศลอยู่แล้วปุเพจะกคตะปุญญาตาพวกเราคงจะได้สั่งสมบุญกุศลไว้ในอดีตแต่ชาติที่ได้มาเกิดในภพภูมิอย่างนี้ได้มาเกิดในฐานะอย่างนี้อัตะสัมมาปณิธิ ถ้าว่าเราตั้งตนไว้ไม่ชอบพอเรามาเกิดในที่นี้แล้วเราลืมตัวเราไม่ได้สังสมคุณงามความดีปล่อยปะละเลยไมไ่เชื่อในพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่เชื่อบาบุบญคุณโทษไม่เชื่อสิ่งดีสิ่งชั่วแล้วออกจากชาตินี้ไปพวกเราจะต้องตกตับในหลักของพุทธศาสนาท่านพูดตัดไว้อย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัท เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้พวกเราคิดไว้ให้ดีในจุดนี้ให้ศึกษาและก็นำมาประพฤติปฏิบัติการศึกษาและนำมาปฏิบัตินั้นที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านแนะนำสั่งสอนท่านให้นั่งสมาธิการนั่งสมาธินี่แหละจุดนี้แหละเป็นจุดที่จะเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่จะพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญ เพียงแต่เราทานศีลภาวนาศรัท ธ, ธาความเชื่อเฉยๆยังไม่ยังไม่เพียงพอแต่เมื่อเราเชื่อแล้วเทนี่เรานำมาประุทธปฏิบัติเทนีเ่เมื่อมีโอกาสช่วงไหนเราไปอยู่นัสถานที่ใดที่ว่างๆที่สงบแล้วก็นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงจารงสติเฉพาะหน้ากาหนดลมหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกจิตของเราก็สู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ว่าร่างกายเนี่ยเป็นอันหนึ่งจิตใจนั้นเป็นอันหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่ารถกับคนขับรถอย่างนั้นอ่ะคนขับรถเป็นยังไงแล้วรถเป็นยังไงนั่นแหละเราจะเห็นได้ชัดด้วยตนเองเพราะนั้นหลักของพิสูจน์ในพุทธศาสนามีอยู่แล้ว แต่พวกเราจะพิสูจน์หรือไม่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายพิสูจน์เพราะเราไม่พิสูจน์แล้วเราไม่เชื่ อ, อแล้วตายแล้วเกิดถ้าพวกเราไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดพวกเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงการกระทําสิ่งไหนก็ตามไม่มีจุดหมายปลายทางผลที่สุดก็ทําในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแล้วก็ความหายยะก็จะเกิดขึ้นมาในตัวของเราเป็นอันดับแรก เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายหลักของพุทธศาสนาเป็นสวาขาธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ชอบแล้วถูกต้องแล้วให้พวกเราประพฤติธปฏิบัตินํามาประพฤติธปฏิบัติพวกเราก็จะประสบแต่ความสุขความเย็นใจผ่ อ, อนปีใหม่ที่หลวงพ่อได้กล่าวพวกเราท่านทั้งหลายคงเข้าใจการทําดีนั่นแหละคือการให้ผ่อนอดีกว่ารับผ่อน การทำดีนั่นแหละคือให้พรตัวเองถ้าว่าตัวเองทำกรรมชั่วแล้วทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วคิดชั่วแล้วทำชั่วแล้วพูดชั่วแล้วแปลว่าตัวเองไม่ให้พรตัวเองอให้แต่สิ่งที่หายนะเข้าสู่จิตใจแต่พวกเราคิดดีพูดดีทำดีในตัวของเราพวกเรารับพอรอยู่ตลอดเวล่ําเวลายืนเดินนั่งนอนรับตื่น พรจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราตลอดไปไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความสงบพร่อมเย็นผาสุขเพราะพรศิลธรรมเข้าสู่จิตใจของพวกเราโดยตลอดเพราะนั้นการพูดการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาโดยอำนาจคุณรร พ, พ, พระสีรัตนไตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเราจงประสบแต่ความสุข ความสมหวังดังปรารถนาขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมสำเร็จสมความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาทุกประการเธอ